ยาสามันประจําใจในบรรดาผู้เคราะห์ร้ายจากสงครามเวียดนามคงไม่มีใครที่ทั่วโลกรู้จักมากเท่ากับคิมฟุกภาพเด็กหญิงวัยเก้าขวบร่างกายบอบบางและเปลือยเปล่าวิ่งร่ำไห้อยู่กลางถนนพร้อมกับเด็กอีกสี่คนโดยมีทหารและม่านควันดำทมึนเป็นฉากหลังได้ประทับแน่นอยู่ในใจของผู้คนทั่วโลก ภาพนี้ภาพเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะบอกเราว่าสงครามนั้นสร้างความทุกข์ทรมานแก่เด็กๆและประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างไรบ้างคิมฟุก ค, คือเด็กหญิงชาวเวียดนามใต้คนนั้นซึ่งช่างภาพอเมริกันได้ถ่ายไว้ขณะที่เธอและเพื่อนบ้านกำลังแตกตื่นหนีภัยแม้เธอจะรอดตายจากระเบิดนาปาลมที่ทิ้งลงหมู่บ้านของเธอแต่ไฟก็ได้เผาลวกผิวหนังของเธอถึง 65% เซ็นต์ เธอต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถึง14เดือนและผ่านการผ่าตัดถึง17ครั้งกว่าจะหายเป็นปกติเธอยังโชคดีเมื่อเทียบกับลูกพี่ลูกน้องอีกสองคนซึ่งตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2515เมื่อเวียดนามกลายเป็นคอมมิวนิสต์3ปีต่อมาก็ไม่มีข่าวคราวของเธอปรากฏสู่โลกภายนอกอีกเลย แต่แล้ววันหนึ่งในปี 2,539 คิมฟุกก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าชาวอเมริกันซึ่งเคยผ่านสมรภูมิเวียดนามเธอได้รับเชิญให้มาพูดเนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึกณนะกรุงวอชิงตันดีซีการได้มาเผชิญหน้ากับกลุ่มคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยมาทำลายบ้านเกิดเมืองนอนของเธอทำให้ญาติพี่น้องของเธอต้องตาย และเกือบฆ่าเธอให้ตายไปด้วยนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำใจได้ง่ายนักแต่เธอมาก็เพื่อจะบอกให้พวกเขารู้ว่าสงครามนั้นได้ก่อความทุกข์ทรมานแก่ผู้คนอย่างไรบ้างหลังจากที่เล่าถึงประสบการณ์อันเจ็บปวดของเธอแล้วเธอก็ได้เผยความในใจว่ามีเรื่องหนึ่งที่เธออยากจะบอกต่อหน้านักบินที่ทิ้งระเบิดใส่หมู่บ้านของเธอ พูดมาถึงตรงนี้ก็มีคนส่งข้อความมาบอกว่าคนที่เธอต้องการพบกำลังนั่งอยู่ในห้องประชุมนี้เธอจึงเผยความในใจออกมาว่าฉันอยากบอกเขาว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้แต่เราควรพยายามทําสิ่งดีๆเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตเมื่อเธอบรรยายเสร็จลงมาจากเวที อดีตนักบินที่เกือบฆ่าเธอก็มายืนอยู่เบื้องหน้าเธอเขาม่ใช่ทหารอีกต่อไปแล้วแต่เป็นาศาสนาจารย์ประจำโบสถ์แห่งหนึ่งเขาพูดด้วยสีหน้าเจ็บปวดว่าผมขอโทษผมขอโทษจริงๆคิมเข้าไปโอบกอดเขาแล้วตอบว่าไม่เป็นไรฉันให้อภัยฉันให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะให้อภัย โดยเฉพาะกับคนที่ทำร้ายเราปางตายคิมฟุกเล่าว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความทุกข์ทรมานแก่เธอทั้งกายและใจจนเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตต่อไปได้อย่างไรแต่แล้วเธอก็พบว่าสิ่งที่ทำร้ายเธอจริงๆไม่ใช่ใครที่ไหนหากได้แก่ความเกลียดที่ฝังแน่นในใจเธอนั่นเองฉันพบว่าการบ่มเพาะความเกลียดเอาไว้สามารถฆ่าฉันได้ เธอพยายามสวดมนต์และแผ่เมตตาให้ศัตรูและแก่คนที่ก่อความทุกข์ให้เธอแล้วเธอก็พบว่าหัวใจฉันมีความอ่อนโยนมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ฉันสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องเกลียดเราไม่อาจควบคุมกำกับผู้คนให้ทำดีหรือไม่ทำชั่วกับเราได้แต่เราสามารถควบคุมกำกับจิตใจของเราได้ เราไม่อาจาเลือกได้ว่ารอบตัวเราต้องมีแต่คนน่ารักผู้จาอ่อนหวานแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะทำใจอย่างไรเมื่อประสบกับสิ่งไม่พึงปรารถนาคิมฟุกได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองว่าฉันน่าจะโกรธแต่ฉันเลือกอีกทางหนึง่งแล้วชีวิตของฉันก็ดีขึ้นบทเรียนของคิมฟุกคือในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ เราจึงไม่ควรปักใจอยู่กับอดีตแต่เราสามารถเรียนรู้จากอดีตเพื่อทำปัจจุบันและอนาคตให้ดีขึ้นได้บทเรียนจากอดีตอย่างหนึ่งที่เธอได้เรียนรู้มาก็คือการอยู่กับความโกรธเกลียดและความขมขื่นนั้นทำให้ฉันเห็นคุณค่าของการให้อภัยการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืมเหตุการณ์ที่เจ็บปวด แต่หมายถึงการไม่ยอมให้เหตุการณ์เหล่านั้นมาทำร้ายเราผู้ที่รู้จักให้อภัยคือผู้ที่ยังจดจำอดีตอันไม่น่าพิจมัยได้แต่แทนที่จะปล่อยให้อดีตนั้นมากระทำย่ายีกลับเอาชนะมันได้และสามารถนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นเอามาเป็นบทเรียนเพื่อจะไม่ทำความผิดพลาดอีกและที่สำคัญคือเป็นเครื่องเตือนใจว่า ความกโกรธเกลียดนั้นเป็นอันตรายต่อตัวเราอย่างไรบ้างเมื่อเราโกรธใครอยากทําร้ายใครนั้นคนแรกที่ถูกทําร้ายคือตัวเรานั่นเองไม่ใช่แค่จิตใจเท่านั้นที่เร่าร้อนเหมือนถูกไฟสูงแม้แต่ร่างกายก็ยังได้รับผลกระทบด้วยมีบางคนที่มีอาการปวดท้องและปวดศีรษะเรื้อรังอีกทั้งยังมีความดันโลหิตสูง หมอพยายามตรวจร่างกายแต่ก็ไม่พบความผิดปกติหมอจึงขอให้เธอเล่าเรื่องราวในชีวิตของเธอให้ฟังเธอเล่าว่ากำลังมีเรื่องขุนเคืองใจกับพี่สาวซึ่งทอดทิ้งให้เธอเผชิญปัญหาตามลําพังอยู่หลายปีหมอจึงสันนิษฐานว่าความเจ็บป่วยของเธอมีสาเหตุมาจากความบาดหมางดังกล่าวจึงแนะให้เธอยกโทษแก่พี่สาว หลายปีต่อมาหมอได้รับจดหมายจากคนไข้ารายนี้ว่าเธอคืนดีกับพี่สาวแล้วและอาการเจ็บป่วยก็ไม่ม่รังควานอีกเลยมีอีกรายที่เจ็บป่วยโดยหมอไม่พบความผิดปกติในร่างกายเธอมีอาการคลื่นไส้และระบบย่อยอาหารผิดปกติจนน้ำหนักลดไป15กิโลวันหนึง่งอาการได้กำเริบขึ้นเมื่อเธอได้รับจดหมายจากลูกพี่ลูกน้อง เ, เฉลียวใจในตอนนั้นเองว่าความเจ็บป่วยของเธอมีสาเหตุมาจากความโกรธเกลียดเธอทั้งโกรธและเกลียดลูกพี่ลูกน้องคนนั้นเพราะแอบไปมีความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มของเธอลูกพี่ลูกน้องคนนั้นเขียนจดหมายมาขอโทษเธอเธอครุ่นคิดอยู่นานและในที่สุดก็เขียนจดหมายตอบไปว่าฉันยกโทษให้เธอหลังจากนั้น สุขภาพเธอก็ดีขึ้นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการให้อภัยเป็นเรื่องยากแต่การมีชีวิตด้วยจิตใจที่โกรธแค้นพยาบาทกลับเป็นเรื่องที่ยากลำบากกว่าคนที่มีความโกรธเกลียดอัดแน่นเต็มหัวใจย่อมไม่อาจพบความสุขและความเบิกบานใจได้คนเช่นนี้ย่อมยากที่จะมีศรัทธาและกาลังใจในการมีชีวิต ด้วยเหตุนี้เราจึงควรเรียนรู้ที่จะปลดเปลื้องความโกรธเกลียดไปจากจิตใจด้วยการรู้จักให้อภัยและหมั่นแพร่เมตตาไปให้แก่คนที่ทำความเจ็บปวดให้แก่เราไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนึกถึงบุคคลดังกล่าวโดยที่จิตใจไม่พลุ่งพล่านแต่เมื่อใดที่ใจเราสงบลองนึกถึงเขาอยู่เป็นระยะระยะนึกถึงแต่ละครั้งก็ยิ้มให้เขาแผ่ความปรารถนาดีให้เขา เราจะพบว่าเรายิ้มให้เขาได้ง่ายขึ้นและจิตใจกระเพื่อมน้อยลงไม่นานเราก็จะให้อภัยเขาได้และมีความปรารถนาดีต่อเขาด้วยใจจริงถึงตอนนั้นเราจะพบว่าสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดทุกทรมานมาเป็นเวลานานนั้นไม่ใช่อะไรอื่นหากได้แก่ความโกรธเกลียดที่เคยอยู่ในใจเรานั่นเองความเจ็บปวดที่เกิดเพราะคนบางคนนั้น แท้จริงได้กลายเป็นอดีตไปแล้วแต่ที่ยังคงอยู่ก็เพราะใจเรานั่นเองที่ไปรื้อฟื้นและทนุถนอมมันเอาไว้ด้วยความจงเกลียดจงชังหมายมั่นจะแก้แค้นตัวเขาอาจอยู่ไกลแสนไกลแต่เราเองตังหากที่ไปดึงเขามาไว้กลางใจเราอยู่ทุกโมงยามพูดให้ถูกต้องก็คือใจเรานั่นแหละ ที่สร้างปีศาจร้ายมาหลอกหลอนตัวเองอยู่ทุกขณะจิตปีศาจที่แม้รูปร่างหน้าตาเหมือนคนที่เคยประทุษร้ายเราแต่เป็นผลผลิตจากใจของเราเองการให้อภัยและการแผ่เมตตาแท้ที่จริงก็คือการสยบปีศาจร้ายไม่ให้มาหลอกหลอนอีกต่อไปจะเรียกว่าเป็นการเชื้อเชิญมันออกไปจากจิตใจของเราก็ได้ด้วยการให้อภัยและการแผ่เมตตาเท่านั้น ใจิตใจของเราจึงจะได้รับการเยียวยาและกลับเป็นปกติสุขอีกครั้งหนึ่งในโลกที่เราไม่อาจหลีกพ้นความพลัดพรากสูญเสียความเจ็บปวดและบาดแผลในใจการให้อภัยและการแผ่เมตตาคือยาสามัญที่ควรมีไว้ประจำใจ